เขาองค์กันมาอย่างไรจนกระทั่งวันจักะรู้ถึงในข่าอย่างเป็นพระไถ่แต่ส่วนวราระสุดท้ายที่ถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หาทรงทราบได้บ้างเป็นลำหลักกันักเนี้ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้อง ถ้าทายด้วยสงสัยเลยภาวันจะรู้จะิญวนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถวแนว เ, เห็นความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะที่เดี่ยวขอ้อ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 มีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเส้นชาตนั้นเป็นอย่างนั้นสาตนี้เป็นอย่างนี้ใปตาตเป็นอย่างนั้นอนั้นเนนื่องน่สิ่งที่ปิดบังอยู่นี้ที่ไม่ให้สัตวโลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างหากเรามีในตาก็ควรจะทราบ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 จะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลนำลัำบลำนักมาสามารถที่จะให้ผู้ถูบบุบดังนั้นได้รู้จริงถหงสิ่งไน้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นทงานสิ่งเหล่า น, นี้จึงเป็นเหมือนกับนิส า, ายของสัว์โลกทั่วไป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 แล้วสิ่งที่กลามาวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอํานาจแห่งที่เด่เป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดขึ้ทนที่นั่นที่นี่แล้วแสดงผลออกมาโดยลําดับนี้แบบ น, น, นั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจน ท, ทั่งถึงวาระสุดท้าทยา ค, คือความตายมีแต่ยากคือความทุกข์ความลำบากความรำมาน เืิดคนอยู่โดยลำหนักลำหนักความเกิดตายนี้จองปราบทั้งหลายมีพระพธธธุทธเจ้าเป็นท่านันทรงถือว่าเป็นไผ่จึงมีภาษิตทัานหนึ่งขึ้นนับรองว่าบุคคงนัตถิอาชาตักศ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 ทรงปรสงอะไรมากนักที่จะให้สา์โลกรู้อย่างนั้นแต่จริงที่ตรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสริทันเรื่องของมรรคเรื่องของมิรธเซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะ ที่พระองค์ประกาศแก่สรรโลกจึงทรงสแสดงตัตจธรรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุัรรดาศักว์ทั้งขานที่มีวิญญาณเขาะจะมีตัตจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ับตัวมีไั่หากว่มามัรรคยังไม่สามารถจะ้เกิดขึ้นได้ นรทรงสั่งสอนเน้นหนักตลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของภระศาสนาที่ประกาศธรรมต่อโลกเ้ื่อยมาไม่ส่งดนะเพราะเป็นจุดศูนย์กลางอันตั้งแม่นดำและกระเทือนทั่วทั้งโลกฐาว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสังสมและฝ่ายบุกเบิดถอดถอนให้หมดขึ้นไปสัจธรรมจริงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลก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 ไม่ถคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยงหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอ น, นาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยลักปัจจุบันนัทธคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แกกพิจารณาเรื่องทุก ผู้มี อ, อยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกนี้เป็นภัยแก่ตนในขณะชื่อพิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกนี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างแง่ตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้าง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 อันเป็นฝ่ายต่ําหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวว่าในธรรมจักรกัปวศศัตตนสูตรว่าเรื่อยที่ดังการมตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหานี้เป็นรากแก้วอนันให่โตของสมุทัยกามัตันหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจํานวนมากมายหลาย ก, กองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงขา พิจารณาแนขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุอารมณ์อันใดใดบ้างรวมเข้าเป็นกา ร, รมตัิหาภาวะตันหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในทบในชาอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแตกจะพูดไปทีนี้ภาวะตันหา อยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงแค่ถามวรในสัตวแ์และสังขานี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจงมีกดอนิจจงเป็นเครื่องบังคับตายตัวอยู่เช่นั้นไม่มีใครจะสามารถลื้อถอนให้โลกอนิจจงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโลกนิจจงไปได้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 แล้วกําหนดดูผููที่ไปยึดไปถือไปสําคัญมั่หมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์ก็เป็นการตะเคียนเรกเอาความจริงเข้าไปจับเราจะเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทํางานเพื่อพิรล็กแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของมัก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 ฟัามมหาเสนะมหาเสนเ่นมัตินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาห์คความตามาวว่างหนักทราบไว้เสียแล้วหยิบเร่นงค้นคว้าทำทํา ง, งานความดีอย่าได้ประมาทนอนแต่อย่าไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระาว่าธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัวขาตะางหากถ้คนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุด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 เป็นพู้ดองทุกความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขาช่วยได้โดยลาพังพวกเองซึ่งชัดโลกทั้งหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ่นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีกนะทันยุวะอาตานิจโนนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมะอาตานิจโนนาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นรับเป็นธรรมที่สาคัญอยู่มาก